โยมทีนี้ภาวานาเก่งๆ เ, งเยอะนะภาวนาดีๆเยอะเลยใช้ได้เยอะะเลยการปฏิบัติไม่มีอะไรยากเลยง่ายนะเมื่อเช้าหลวงพ่อเดินปกติเวลาเดินมาจากกุฏิเนี่ยพระจะมารออยู่ตามถนนแล้วก็เดินตรวจการบ้านเดินตรวจการบ้านมาเรื่อยๆวันนี้เอเ อ, เอไไปทำอะไรมาดีกว่าทุกวัน บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยพยายามทำมากเลยวันนี้จนปัญญาแล้วไม่ทำแล้วดูมันลูกเดียวดีกว่าดูเป็นเฉยเฉยอมัง่ายนิดเดียวเลยเราไปทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมารู้มันก็ไปตรงๆงเลยรู้เฉยเฉยรู้สบายสบายแต่ว่าไม่ได้รู้แบบกระโดดลงไปบางคนเวลาจะรู้อะไรนะัชอบกระโจนลงไปรู้กระโดดลงไปรู้ จะรู้ร่างกายก็ส่งจิตเข้าไปจ้องนะจะดูลมหายใจก็จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจะดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจะเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าบางคนเลยเท้าออกไปจิตไหลไปอยู่ที่พื้นไปรู้พื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งไกลหนักเข้าไปอีกจริงๆแล้วก็คือง่ายนิดเดียวร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปเห็นมันทํางานไปอย่าถล่มลงไปเช่นเราเห็นร่างกายหายใจะ เราเป็นคนดูเฉยๆเราเห็นร่างกายหายใจเห็นท้องมันฟองท้องมันยุบใจเราเป็นคนดูเนี่ยตัวสำคัญคือมันต้องมีใจที่เป็นคนดูออกมาถ้าไม่มีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตใจไหลลงไปอยู่ในอารมณ์ที่จิตไปรู้เช่นรู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมรู้ท้องจิตไปอยู่กับท้องรู้เท้าจิตไปอยู่กับเท้ารู้มือจิตไปอยู่กับมือนอันนี้เป็นการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะกรรมฐานทั้งสิ้นเลย การเพ่งอารมณ์นี่เรียกว่าอารามณูปนิชฌานเป็นการทําสมถะทำํำวิปัสนาต้องเรียกว่ารักขณูปนิชฌานเห็นลักษณะเพ่งเล็งไปรู้ถึงตัวลักษณะคือความเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ของกายของใจเจอเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่ น, นคอือกจิตมีสัมมาสมาธิปัญญาถึงจะเกิดถ้าไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิด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 เห็นกุศลนานะกุศลทั้งหลายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันจะแยกออกมาถ้าไม่สามารถแยกรูปแยกนามออกมาได้นะไม่สามารถทำวิปัสสนาได้จริงการแยกรูปแยกนามออกมาเป็นการมีปัญญาเบื้องต้นเลยเบื้องต้นที่สุดเลยนะของปัญญาปัญญาต่ำสุดเลยชื่อนามรูปปริเฉทยานปัญญาที่เกิดจากการภาวนานะ ส่วนจินตามย์ญาปัญญาปัญญาจากการคิดสุดตาเมย์ปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังนะอันนี้เป็นปัญญาพื้นๆเอามาใช้ทํำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาต้องใช้ภาวนามย์ปัญญานี่เราค่อยรู้สึกตัวนะรู้สึกไปแล้วก็ เ, เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเช่นเห็นท้องพองยุบนะร่างกายมันพองร่างกายมันยุบไม่ใช่เราพองเรายุบนะจิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหาก ร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจนะเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ตัวเราหายใจจิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูถ้าหากจิตแยกออกมาเป็นคนดูได้มันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวเราความเป็นตัวเรามันเกิดจากจิตเนี่ยไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์ไปรวมเมาขันห้ามารวบประชุมเข้าด้วยกันจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิด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 ผู้ปฏ ya um really. ิบ be ัติเกือบทั้งหมดขึ้นมิปัสนาไม่ได้เลยนับตัวได้เลยที่จะขึ้นมิปัสนาได้จริงจิตจะต้องตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ถึงจะทํำมิปัสนาได้ถ้าจิตไม่ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตจะรวมอยู่กับขันอื่นๆไปรู้ท้องฟองยุบจิตก็ไปอยู่กับท้องเน่ไปรู้ลมหายใจจิตไปอยู่กับลมไปรู้มือจิตไปอยู่กับมือไปรู้เท้าจิตไปอยู่กับเท้าจิตไหลไปหมดเลย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 สังขารทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตมันอยู่ต่างหากแต่ตรงที่จิตแยกออกมาอยู่ต่างหากเนี่ยต้องเรามั่ระวังมีทีผ่ผิดอีกที่หนึ่งคือไปเพ่งตัวผู้รู้ไว้จนนิ่งนิ่ ง, งแข็งแข็งกลายเป็นตัวผู้รู้เที่ยงตัวนี้ผิดอีกนะเห็นั้มทางที่ผิดนั้นมันเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องเรียนให้ดี ถ้าไม่แยกตัวผู้รู้ออกมาจิตไหลไปรวมอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ใช้ไม่ได้เป็นสมถะถ้าแยกผู้รู้ออกมาแล้วประคองรักษาตัวผู้รู้ไว้เพ่งตัวผู้รู้ไว้นะมีตัวผู้รู้ที่เที่ยงเที่ยงอยู่ก็เป็นสมถะเป็นการเพ่งอรูปละตัวผู้รู้เป็นอรูปงั้นโอกาสที่จะถูกนี่มีนิดเดียวนะโอกาสผิดนี่เยอะมากเลยเหมือนเรายิงปืนหรือยิงธนูอะไรเงี้ยเป้ามันมีนิดเดียวใช่ไหมที่ผิดมันเยอะแยะไปหมดเลย ดันจะยิงเข้าเป้านะยากยิงทีไรก็ออกนอกลู้นกทางไปตลอดลงมือปฏิบัติก็ออกนอกลู้นกทางไปตลอดเพราะไม่ศึกษาให้ดีอาศัยว่าเชื่ออาจารย์เชื่อเพื่อนนะเพื่อนชวนไปเข้าวัดนี้ก็ไปเข้าสำนักนี้ก็ไปอาจารย์นี้ดังเชื่ออาจารย์นี้อะไรเนีน่เราไม่ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรวิปัสสนากรรมฐานนะต้องมีสติรู้ ถึงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไม่ใช่รู้รูปนามอย่างเดียวถ้ารู้รูปนามอย่างเดียวย่างเป็นสมถะต้องสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้นี้จะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องมีมีเ้าเรียกอะไรเครื่องมือสองตัวั น, นึงเรียกสติอันนึงคือสัมมาสมาธิทายังไงเราจะพัฒนาสติที่แท้จริงขึ้นมาได้ทายังไงจะพัฒนาสัมมาสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาได้ถ้าขาดสองตัวนี้จะไม่มีปัญญา สติคือความระลึกได้พวกเรารุ่นหลังๆเราก็เรียนเพี้ยนไปนะเป็นสติเพราะว่ากำหนดกําหนดเป็นภาษาเขมรเป็นคําแผลงมันจะคําว่ากดกดไว้ข่มไว้บังคับไว้ควบคุมเอาไว้ทําให้อยู่ในอํานาจทําให้เป็นอัตราตัวตนทําให้เที่ยงทําให้มีความสุขฝืนอยู่กับใจลักตลอดเวลาเลยคำว่ากําหนดคําว่ากดเนี่ยอย่างพวเรากําหนดลงไปด้วยใช่ไหม กายก็นิ่งใจก็นิ่งนิ่งไปหมดเลยแล้วตรลักษณ์อยู่ตรงไหนมือก็นิ่งไปหมดแล้วมันก็มีแต่ความเที่ยงมีแต่ความสุขขึ้นมานะรู้สึกเราบังคับกายบังคับใจได้เห็นเป็นอัตราตัวตนนี่ทำผิดล้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดสติแปลว่าความะระลึกไดนะ้ในพระไตรปิฎก็ใช้คำว่าสติคือความะระลึกได้คู่กับสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัว สติเป็นความระลึกได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงความมีอยู่ของกายของใจถ้าสติที่ระลึกถึงความมีอยู่ของกายของใจนะจะเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าสติระลึกรู้สิ่งอื่นก็เป็นสติธรรมดาเช่นอยากทำบุญอยากใส่บาตรจิตเป็นกุศลถามว่ามีสติไหมก็ถือว่ามีสติแต่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานทาไม่ได้ทาสติปัฏฐานแล้วก็ไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพาน เพราต้องรู้มีสติรู้กายรู้ใจถนะึจะใช้ว่าสติที่แท้จริงเป็นสัมมาสติไม่เป็นสติปัฏฐานคือรู้กายรู้ใจอีกตัวหนึ่งคือสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเมื่อกี้เล่าแล้วนะส่วนใหญ่มีมิจฉาสมาธิจิตจะไหลเข้าไปเพ่งอารมณ์รู้อะไรก็เพ่งอันนั้นเลยพอเพ่งอันนั้นนะจิตกับอารมณ์รวมเป็นเนื้อเดียวกันอยู่นะก็นิ่งๆอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเองสงบ ได้ความสุขความสงบความสบายความดีถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นมันจะเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราอะไรถูกรู้อันนั้นไม่ใช่ตัวเราง่ายๆเลยนะนี่เป็นสูตรข้อหนึ่งเลยเห็นไหมพัดนี้ถูกรู้ดูออกไหมพวกเราดูพัดใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเราก็บา้าแล้ว ไม่บ้าธรรมดานะบ้านหนักเลย น, ะนี่ถูกรู้ถูกดูรู้สึกไหมใครเห็นว่ากระติกเป็นตัวเราก็บ้าอีกแหละเรียกวิปลาสบ้านนี้ภาษาบาลีนะหมายถึงวิปลาสเห็นผิดไม่ได้ว่าเป็นโรคจิตนะโควรานกันโรคจิตต้องให้หมอวินิจฉัยแต่ถ้าเห็นผิดแล้วก็วิปลาสเรียวิปลาสภาษาแขกเพราะเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสําคัญมั่นหมายผิดจากความเป็นจริง งั้สิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราอะไรถูกรู้ได้บ้างสิ่งที่ถูกรู้พูดง่ายๆคืออารมณ์อารมณ์มีหลายชนิดนะอารมณ์อันแรกเลยเรียกว่าอารมณ์ปรมัสต์อันที่สองเรียก อ, อารมณ์บัญญัตินี่มีสองกลุ่มใหญ่ๆอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอันนี้ก็จิตเป็นคนรู้อย่างเรานั่งคิดไปนั่งฝันไปนะมีใครคิดว่าเรื่องที่เราคิดที่เราฝันเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ได้คิดใช่ไหม ยกเว็นพวกหลงอยู่ในโลกของความคิดนะจะไปคิดเพราะความคิดความฝันนั้นเป็นของจริงพวกที่หลงอยู่ในโลกของความคิดจะรู้สึกอย่างนั้นฝันฝันไปแล้วก็จริงพวกเราขณะนี้ฝันอยู่คนที่ตื่นขึ้นมาถึงจะหลุดออกจากโลกของความฝันคนที่คิดเลื่อเปลินไปในโลกของความคิดนั้นยางฝันอยู่เรื่องราวที่คิดที่ฝันเรื่องอารมณ์บัญญัติไม่ใช่ทำวิปัสสนาใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่ใช่ของจริง อารมณ์ที่จะใช้ทำวิปัสสนาจะต้องเป็นกลุ่มของอารมณ์ปรามาทัตบางอย่างไม่ใช่ทุกอย่างอารมณ์ปรมาทัตแยกเป็นสองอย่างนะอารมณ์ที่เป็นความปรุงแตง่งกับอารมณ์มที่พ้นความปรุงแต่งอารมณ์ที่พ้นความปรุงแต่งมีอย่างเดียวคือนิพพานนิพพานไม่เอามาทำวิปัสสนาเราไม่ใช้นิพพานมาทำวิปัสสนาเพราะนิพพานเป็นความว่างๆบางคนพยายามจะเอาความว่างมาทำวิปัสสนาใช้ไม่ได้นิพพานถ้าขืน จงใจไปรู้นิพพานนเป็นสมถะนิพพานเอาไว้ทําสมถะนะอย่างพระอริยะทั้งหลายเวลาต้องการพักผ่อนนะท่านจะเข้าพระสมบัติภาพผลสมบัติเกิดผลจิตขึ้นมานะรู้อารมณ์นิพพานเพราะฉนั้นเป็นสมถะอารมณ์ประมัด ท, ที่ใช้ทําวิปัสสนาเนชื่อว่าอารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์ที่เป็นความปรุงแต่งรูปนามก็คือกายกใจเรานี่เองนะ เราต้องคอยรู้กายรู้ใจกายประกอบด้วยอะไรกายประกอบด้วยธาตุจานวนมากมีธาตุดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ในอากาศธาตุถ้าไม่มีอากาศธาตุดินน้ำไฟลมก็ตั้งขึ้นมาไม่ได้นีอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมนี้เองแปลเปลี่ยนรูปออกมาเป็นจานวนมากเช่นเป็นรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอน แป่สภาพออกมาจากก้อนธาตุนั่นเองงั้นตัวรูปที่แท้จริงคือตัวธาตุเป็นตัวธาตุภาวนากว่าจะเห็นตัวธาตุได้ไม่ใช่ง่ายๆคนจะภาวนาเห็นธาตุได้จิตต้องส่งสมาธิในระดับที่ละเอียดประณีตนะถ้าไม่ได้ทำอัปปนานสมาธิมาโอกาสที่จะเห็นตัวธาตุเนี่ยยากที่สุดเลยเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นมือรู้สึกไม่เห็นมือ ถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าใจเราตั้งมั่นจริงเราจะไม่ได้เห็นมือเราจะรู้ว่าสิ่งที่ตามองเห็นนั้นคือสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้มีแฉกแฉกอย่างนี้แล้วใจก็มาบัญญัติขึ้นมาว่าเอออันนี้แหละมือเห็นไหมมือนี่เป็นบัญญัตินะสิ่งที่ตามองเห็นคือสีนี่คือสีนี่ก็เป็นสีนะที่ตาเรามองเห็นเนี่ยตัวรูปจริงๆดูยากนะดูยากมาก ถ้าใจไม่มีสมาธิพอนะจะไม่เห็นเห็นก็เห็นด้วยการคิดคิดเอาสัมผัสลงไปสัมผัสอะไรนี่จับลงไปจับแขนจับมือจับนิ้วอันนี้เป็นบัญญัติจับลงไปรู้สึกไหมเป็นท่อนๆแข็งๆอ่อนๆแข็งแข็งอ่อนอ่อ น, อนคืออะไรคือธาตุดินรู้สึกไหมบางที่เย็นบางที่ร้อนเย็นร้อนเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุไฟ รู้รูปไม่ใช่ง่ายๆนะบางคนโมเมลนึกว่ารู้รูปนี่ง่ายมานั่งพูดจ่อยๆนะน่าสงสารแบบผมจะดูแต่กายนะผมไม่ดูจิตหรอกเพราะเพราะจิตดูยากกายดูง่ายดูลงไปก็เห็นแต่สมมติบัญญัติดสิไม่เห็นตัวธาตุที่แท้จริงตัวรูปที่แท้จริงไม่เห็นนะไม่เห็นตัวรูปไม่เห็นตัวธาตุเมื่อไม่เห็นตัวจริงของมันนะใจรักไปแสดงที่ไหนมันเป็นแสดงในความคิด เช่นเราส่องกระจกนะนี่หน้าเราปีนี้กับหน้าเราปีกลายไม่เหมือนกันนี่เป็นไตรลักษ์ไตรลักษ์ด้วยการคิดไม่ใช่วิปัสสนาดังนั้นะไม่ใช่ง่ายง่ายนะักกว่าจะเห็นรูปรูปอะไรมีเยอะแยะใช่ไหมรูปที่เป็นธาตุนี่เรียกว่ามหาภูตา ร, รูปมีรูปตัวอื่นอื่นอีกนะเยอะแยะเรียกอุ ป, ปาทายรูปไม่ต้องจําชื่อมันนะเดี๋ยวกลุ้มใจ รูปแท้ตัวมหาภูตรูปในรูปจริงๆเลยนะแล้วก็มีรูปบางอย่างนะถือว่าเป็นรูปแท้รูปบางอย่างไม่ใช่รูปแท้เช่นสิ่งที่ตามมองเห็นรูปที่ตามมองเห็นนะเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรูปจริงๆรูปไม่แท้เช่นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนบางคนไปทําวิปัสสนาโดยการรู้รูปยืนเดินนั่งนอนรูปยืนเดินนั่งนอน เป็นวินยติรูปเป็นอุปาทายรูปไม่ใช่รูปแท้ถ้าไม่ใช่รูปแท้เอาไปทำวิปัสสนาจริงๆไม่ได้หรอกอย่างบอกว่ารู้นะตัวเองยกย่างเหยียบอะไรรู้หมดเลยอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนานะการเป็นรู้วินยติรูปเม่โอกาสที่เราจะขึ้นวิปัสสนาโดยการรู้รูปนี่ยากยากนะยากมากเลยตัวรูปตัวรูปนามอีกตัวหนึ่งตัวนามนะนี่พูดเรื่องรูปไปแล้ว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 เทียบแล้วก็เหมือนตัวเจตสิกทําให้จิตมีลักษณะต่างๆนานาทั้งๆที่จิตมีธรรมชาติเดิมเป็นอันเดียวกันคือเป็นธรรมชาติรู้ไม่มีรูปร่างแสงสีใดๆทั้งสิ้นนะเป็นธรรมชาติรู้เฉยๆแต่จะเป็นจิตที่มีกุศลหรือจิตอกุศลเนี่ ย, อ ย, ยอยู่ที่สิ่งที่เติมลงไปจะเป็นจิตที่สุขหรือสิ่งที่จิตที่ทุกเนี่ยอยู่ที่สิ่งที่เติมลงไปคือเจตสิกนะั้นเวลาเราภาวนานะ ถ้าจะดูจิตที่ว่าดูจิตดูจิตไม่ได้ดูจิตล้วนๆถ้าดูจิตล้วนๆไม่มีอะไรให้ดูเราดูลงไปถึงจิตที่ประกอบกับเจตสิคมันจะทําให้เห็นว่าจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันถ้าดูแต่จิตล้วนๆนั้นดูเข้าไปที่ธรรมชาติรู้เพ่งลงใส่ธรรมชาติรู้อย่างเดียวนั้นก็จะเห็นมันว่างๆนิ่งๆไม่มีอะไรนะไม่มีไตรักษณ์ให้ดูร่ะจิตนั้นอยู่ลอยๆไม่ได้จิตต้องประกอบด้วยเจตสิกเสมอนี่ก็เป็นสูตรนะเป็นกฎ เป็นกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามเป็นกฎดงั้นจิตจะต้องมีเจตสิกเสมอเราจะสามารถรู้ว่าจิตดวงนี้กับจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนละดวงกันเนี่ยอาศัยรู้เจตสิกที่แตกต่างกันนั่นเองเพราะจิตแต่ละดวงนั้นทุกๆดวงนั้นโดยธรรมชาติของมันเองเหมือนกันหมดเลยคือเป็นธรรมชาติรู้นี่มันจะเห็นความแตกต่างได้เพราะอาศัยเจตสิกที่มาแตกต่างกันเช่นจิตโลภ จิตโลภก็คือจิตที่ประกอบด้วยโลภะจิตโกรธก็คือจิตที่ประกอบด้วยโทสะจิตหลงคือจิตที่ประกอบด้วยโมหะจิตฟุ้งซ่านคือจิตที่ประกอบด้วยอุทธัจจะจิตซึมเศร้าก็คือจิตที่ประกอบด้วยถีนมิทะอะไรเงี้ยจิตลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยคือจิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉานี่คือสิ่งที่แปลปลอมมาเราก็เลยสามารถรู้ว่าจิตที่มีโลภะนะกับจิตที่มีโทสะก็ไม่เหมือนกัน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 นะถ้าเราไปดูแต่ตัวจิตร้อนร้อนเลยนะเพ่งใส่ตัวรู้ร้อนร้อนเลยจะไม่เห็นเกิดดับเลยจะรู้สึกเที่ยงเพราันการภาวนานะมันละเอียดมันประณีตต้องค่อยๆเรียนใจเย็นๆลืมของเก่าซะของเก่าถ้าดีจริงวิเศษจริงคงบรรลุมรรคผลไปแล้วละ่นะแล้วก็มาหัดรู้สึกตัวขึ้นมานะหัดฝึกให้มีสติขึ้นมาวิธีทําให้สติเกิดหัดรู้จักสภาวะไป จิตดวงนี <House> <speaking in aría> ้หน <those> no <welche> ้าตายังงี้จิตดวงนี้หน้าตายังงี้รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปเย็นรูปร้อนรูปอ่อนรูปแข็งแต่ละรูปแต่ละรูปไม่เหมือนกันแต่ละนามแต่ละนามไม่เหมือนกันการที่เรารู้จักแต่ละตัวแต่ละตัวได้นะเพราะเรารู้จักลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละตัวเช่นความโลภจิตที่โลภมันมีลักษณะอย่างหนึ่งจิตที่โกรธจิตที่หลงมีลักษณะแตกต่างกันไป แ ต, <im sharing> แต่ละตัวแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะนี่ภาษาแขกเรียกว่าวิเศษลักษณะการที่เรารู้วิเศษลักษณะนั้นทให้เรารู้ว่าจิตโกรธก็ดวงหนึ่งจิตไม่โกรธก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตโลภเป็นดวงหนึ่งจิตไม่โลภเป็นดวงหนึ่งจิตหลงเป็นดวงหนึ่งจิตไม่หลงเป็นอีกดวงจะเห็นเป็นคู่คู่นะเป็นคู่คู่ไปจิตฟุ้งซ่านกับจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตหดหูกับจิตไม่หดหูนะจิตเป็นสุข กระจิตไม่มีความสุขไม่เหมือนกันจิตเป็นทุกข์กระจิตที่ไม่ทุกข์ก็ไม่เหมือนกันจิตเฉยๆกระจิตที่ไม่เฉยก็ไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันพอเราเห็นได้ว่าแต่ละตัวมันแตกต่างกันอย่างนี้นะเราจะเห็นความเกิดดับได้เช่นจ <Con> <slippery> ิตท <con> ี่โกรธเกิดขึ้นนะพอเรามีสติรู้ทันนะจิตที่โกรธมันจะดับไปมันจะเกิดจิตที่ไม่โกรธขึ้นมาแทนพอจิตมันหลงไปเรามีสติรู้ทันนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเนี่ย เราจะเห็นทันที่เลยว่าจิตที่โลภที่โกรธที่หลงเนี่ยเกิดแล้วดับหมดเลยเกิดจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขึ้นมาแทนเกิดเป็นคู่คู่คู่ไปนะเหมือนพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างนี้ตลอดเวลาพลิกอยู่สองด้านแ ม, ม้แต่ละตัวไม่เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันเราเห็นลักษณะที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักลักษณะเฉพาะของรูปธรรมนามธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวชัดเจนนะคอยตามรู้ตามดูเรื่อย รูปปร้ปธรรมนามธรรมชนิดนั้นเกิดขึ้นนะสติรู้ทันเลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วนะพอมันหายไปสติก็รู้ทันอีกสิ่งนี้หายไปแล้วนะเนี่ยเราจะเห็นความเกิดดับได้ไม่ยากนะไม่ยากฟังแล้วยากแต่ว่าปฏิบัติจริงไม่ยากไม่ต้องทําอะไรเวลาเราภาวนาล้มลุกลุ ก, ล, กลานแทบเป็นแทบตายเพราะเราคิดตลอดเวลาว่าทํายังไงจะดีทํายังไงจะถูกทํางไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานใจมันคิดแต่จะทํา ทำไมต้องทําเพราะมันอยากอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มาผลนิพพานความอยากเป็นกิเลสนะเป็นโลภะแล้วความอยากครอบงําใจสติจะไม่เกิดวิธีทําสติให้เกิดมีวิธีเดียวคือหัดรู้สภาวะไปใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้นะดูไปแต่และดวงแต่และดวงไม่เหมือนกันหรอกนะหัดดูไปเรื่อยๆ พอจิตจำสภาวะได้แม่นเรียกว่ามีทิระสัญญาทิระถอถุงสระอิรอเรือทิระสัญญามันจำได้หมายรู้ได้แม่นยำสติจะเกิดเองแต่สตินั้นเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้แต่ถ้ามีเหตุคือมีทิระสัญญาสติถึงจะเกิดในศาสนาพุทธนี่เราต้องตั้งหลักให้ดีนะไม่มีอะไรที่เราสั่งได้นะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลย งันไม่ใช่อยู่ๆเราจะสั่งให้สติเกิดบางคนกําหนดทียิบเลยนะพุโทธโทธพุทโธพุทโธหรือว่าให้กําหนดอะไรต่ออะไรนะไม่ให้คลาดสายตาดูท้องพองยุบไม่ให้คลาดสายตาทํำอะไรไม่ให้คลาดสายตาเลยกะว่าสติจะเกิดสติไม่เกิดเพราะการบังคับใครก็บังคับไม่ได้พระสติเป็นอนัตตาสติเกิดจากทีละสัญญาเท่านั้นนะจําไว้นะ จากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นต้องดูสภาวะบ่อยๆงานของเราคือหันดูสภาวะไปเรื่อยๆดูไปสภาวะโลบกรดหลงฟุ้งซ่านหดหูใจลอยเมอนะใจลอยเมอะเอะเลยเกิดขึ้นนะรูไ้ไปเรื่อยรู้ไปวันหนึ่งขึ้นมากําลังใจลอยปั๊บสติะระลึกได้เองเฮ้ยเผลอไปแล้วระละรึกได้เองรู้ว่าเผลอไปไม่ต้องคิดหนอนนะคิดหนอนนี่เผลอครั้งที่สองแล้วเป็นการคิดละ ให้รู้สภาวะนะไม่ได้ให้บริกรรมถ้าบริกรมรมเม่อไหร่ตกจากมิปั ส, สนาทันทีเลยเพราะจิตที่รู้กับจิตที่คิดเป็นจิตคนละดวงกันล้นี่ตัวสตินะหัดรู้สภาวะไปแล้วสติจะเกิดตัวสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นให้คอยรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกส่งไปทางโน้นส่งไปทางนี้หัดรู้ไปเรื่อยๆจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะอันนี้เป็นวิธีทางลัดนะหลวงพ่อ ว่าจะสรุปตัวนี้ได้ต้องใช้เวลาหลายปีให้คอยรู้ทันนะวิธีจริงจริงวิธีที่ทำให้เกิดสมาสมาธิถ้าเต็มรูปแบบเลยคือทำฌานคนรุ่นเราทำฌานยากใจฟุ้งซ่านสิ่งยั่วยวนเยอะมีอีกวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคือให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นความไม่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าเมื่อไห ร, ร่รู้ความไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งมั่นจาไว้นะ ทำไมหลวงพ่อจับหลักตัวนี้ขึ้นมาได้เพราะหลวงพ่อรู้ว่าสภาวะทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงเราเห็นโกรธใช่ไหมพอรู้ว่าโกรธตัวนี้ไม่โกรธเห็นโลภตัวนี้ไม่โลภเห็นหลงตัวนี้ไม่หลงใช่ไหมตัวเห็นจิตที่หลงไปจิตที่แส่สายไปไอตัวที่รู้เนี่ยไม่แส่สายตัวนี้ตั้งมัน่นมันตรงข้ามกันไม่เกิดขึ้นเองแต่จิตสมาธิที่เกิดด้วยวิธีที่รู้ทันจิตที่ไหลไป เ, เกิดทีละขณะเดียวนะเกิดชั่วขณะ เรียกว่าคณิกะสมาธิไม่โดดเด่นเป็นยอดเป็นเยี่ยมอะไรอย่างจิตที่ทรงฌานอันั้นเข้าถึงอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิเรามีแค่คณิกะสมาธิเพียงพอแล้วที่จะเป็นพระอาหารหันต์ในชาตินี้นะพอแล้วแค่คณิกะสมาธินี่แหละมีสติรู้สภาวะที่กําลังปรากฏเป็นขณะขณะไปในขณะที่รู้นะั้นจิตเป็นคนดูตั้งมั่นอยู่เรียกว่ามีสัมมาสมาธิอยู่จะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายไม่มีตัวเราน เห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้สติระลึกรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวใจเราตั้งมั่นอยู่ทังหากเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมเนี่ยสิ่งใดตูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นดั่งดีเลยนี่ง่ายขนาดนี้ไะเห็นไหมเพราะั้นเรียนแล้วต้องเอาไปทำเอานะตเอาไปทำเอาไปฝึกฝนเอาหัดดูสภาวะบ่อยๆนะโลภปลหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ทันหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ทันนะ คอยรู้ไปเรื่อยๆยืนเดินนั่งนอนก็ร <unser crying S 3> ู้ทันไปรู้ทันกายรู้ทันใจไม่ใช่รู้ทันอย่างอื่นรู้ทันกายก่ใจของตัวเองด้วยไม่ใช่รู้กายรู้ใจของคนอื่นนะรู้กายรู้ใจของตัวเองนะลดละกิเลสรู้กายรู้ใจคนอื่นจะเพิ่มกิเลสนะรู้ไปเรื่อยแล้วก็หัดสังเกตจิตที่มันไหลไปไหลมาจิตหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปทางใจคือหลงไปคิดไหลไปไหลมาให้คอยรู้ทัน ถ้ารู้ทันแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นเองเพราะจิตที่หลงไปไหลไปก็ไม่เที่ยงเหมือนกันในะจ ก, ก็จะตั้งมั่นขึ้นมาชัวา่วขณะถ้ามีสติก็มีสัมมาสมาธิเนี่ยโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็เป็นไปได้เพราะมีสติก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วจะได้ปัญญาจะมีปัญญาเห็นอะไรเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจ ถ้าเห็นมากเข้ามากเข้าจะรู้ว่ากายกระใจไม่ใช่ตัวเราเห็นถึงที่สุดจะรู้ว่ากายนี้เป็นทุกข์รนรนจิตนี้เป็นทุกล์รนรนุนจิตจะสลัดคืนกายคืนจิตให้โลกธาตุคืนไปเลยนะไม่ยึดถืออีกเป็นพระอาหารองค์หนึ่งในโลกนี่เป็นทางดําเนินนะค่อยเรียนไปฝึกให้ได้สติกัสัมมาสมาธิสติเกิดจากการหัดดูสภาวะบ่อยๆสัมมาส ม, มาธิมมาธหัดจะคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนะแล้วปัญญามันจะเกิด เกินมาสองนาทีเชิญไปทัดข้าวจะเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวก็ไม่ต่อเนื่องนี่หมดเลยครับหมด